Gue t referred to it, suyeng r variance, analyze it. Any o nho, these are no- This is inversiveness. But as a guru tutaj, look what are you wrong. Look how dare there, look how far over the over the? segui- I Nha, tên kata mạc, đỡ thang kỳ bà nha. Dì nhanh kháu như vó, lò nì kỳ di Siang ma đăng cái thang bèo, phân bò chặt siang ổng bà thang phùn ni. Siang đăng thang bèo. Ma bèng mua bì tú, bèng chì bò nha, thang kỳ lồ nha. Thì kì kèo bàu, ú. Thì dè, tú mất là nhanh ảnh ảnh ảnh ảnh เอออ้าวมาตั้งแล้วก็แล้วหรอกไสบอกนิมนต์มาเว้ยกะดาเออ แต่ว่าได้มามื้อนี้เพิ่นอยากมาจักนิดแล้ว คนนี้มันบ่เซาแล้วก็พัดเพียรเทศ 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้ว 3 รอบเอาขึ้นเบิ่งตี้ละบ้านบ่เข้า เบิ้ดล่มไปจังคือหมู่จักยุติถ้าบ่ยุติ อย่าปากซะก่อนพวกท่านเครื่องเสียง yeah, นั่งเจ้าพอจะแค่อยู่นี่มีแต่มัธาถ้าเออเดี๋ยวนี่นี้มันบ่เคารพ ทำบุญก็อยู่แต่กับฟ้อนสะบอกทำบุญ ไปเดี๋ยวนี้เตรียมกระเดกความน้ําก่อนเอาเราให้ B1B1B1B1B1M3L1 Indexed to stretch B1B1B1B2B4 kiahe B1B2FON1B1eta B1B1B1B1 karenaB1B1B1B0 B1B2B2 B1B1B1 BuonLetA B3B3 นะหมดสากว่าโตนะโตสมัครสมุทรสารบรรพชาโตโตที่ว่าทรงศาลมุทรสาเพิ่นเออ บ่ถ้าฟ้อนได้บุญผ้าอยู่วัดก็ฟ้อนบ่ทุกวัดพุ่นน่ะบ่ได้ <Days h turn> 3:00 ทั้งหลายเท่านั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเร็วว่ามหาก็สิพึ่งฟัง บ่หาบุญบ่ทานเดี๋ยวสิขุ่นนําเพิ่น พออย่างถ้าพวกกินเหล้านี่เกิดซาดหลังมานี่บ่เต็มบาท ไปด่าผัวเก่งอยู่บ่เกิดดอกแม่เป็นหยังเลยเจ้าๆคือบ่ด่าบ่คามนี่ ไอ้ที่ไปไสขึ้นฮอดบัดสักเคยนี่ได้แก่แม่เด้อเกเรอ เพื่อนก็ฮกๆๆด่าผัวก็เก่งผัว นั่นละบาปนั่นกระผัวมันนั่งไปแต่ซังง้อกว่านั้นซะบ่ง้อกว่าผัวบัดนั้นซะบ่ก็ว่า คนละคนย่านเมียตอย่านเมาปานได๋ก็หยังขอโทษเด้อสาวลามาเลียปากก็ได้ก็ขอโทษเด้อสาวลามาเลียปากรอบ 2 รอบ 3 ละเมาออกมาเลยย่านเมียก็ย่านเมาก็เมาถ้าตั้ง มาเรียบกว่าอีพับละเพชรมื้อ เอ้ยเอ้าไผสิบ่ได้จะล้นเอ้านั่งอยู่นี่บ่ คนละคนเพิ่นก็เว้าว่าเราคณะเฮ็ดดีครูมื้อได้ แตกแต่เหล่าเบิดเหล่าบุญไปวัดครูมือกลับมาก็มาเข้าหัว เฮ็ดบุญวาสนาบ่ได้บุญผู้ละคนเฮ็ดบ่ซังอีหลีแน่แต่อีต้นเด้เพิ่นว่าจังซี่ตัวกากราบกาดูแต่ว่าใครคือบ่มีซอช่วยซ้ำ กะมันสิไปจําไหนกะด่าผัวกะเก่ง <Yeah. S 1> พ่อกับบ่อหมู่ก็ได้อยู่กับไผกับพ่อขอพ่อนั้นแล้วไปโลดไปท่านมาละแสนละล้านก็ไปโลด คนมันบ่จักบุญมันน่ะอยากอ่าเขาบ่สร้างนะครับสมเด็จตอน 2,000 แล้วดีแฮงเลยอันนี้ละ ไปแผนก็คือเบ้อเบ้อนั่นนี่อ๋อมันได้เอาไปตาวแล้วอั่นสิเท่า แม่ขอบางหามซื้อลาไปแน่แน่เด้อจัก 20 <c oughs> ลูกล่ะบ่ซําบายบ่ชีกินข้าวลูก แม่บ่ได้สอนเลยสูดอยากกินเหล้ามัน เกิดบังเอาหว่าเกิดได้ยาวพ้อเกิด เห็นบ่แม่คู่มื้อนี้พวกพวกมา 3 มา 4 มา พวกขาลูกทีมนี่ช่วยตลอดชีวิตเลยมึงงานมึงบ่มีทางเจริญอีลูกมันไปเม่นเมา ไปโลดดหม่อนแตงนั่นแตงนี่แหเห็นแตงไป เออเงียบไปโลดเห็นบ่ล่ะเมื่อวานนี่ให้มาผู้นึงโทรศัพท์มาแต่ใจบ่แท้ บ่แม่นเด้อนั่นพวกเมียในอำเภอพวกเมียผู้ว่าหลายคนเลยฮู้บ่ปิ่นเผาฮู้บ่ปิ่นเผาจังได๋ไม่มีความสุขในบ้านเลยลูกชายนั่นล่ะเอาลูกชายมา เซเหดได้ครอบครัวสวนบ่เซาแม่พลอยนี่ รู้ว่าวิญญาณมานี่บ่แม่นน้อยเด้วิญญาณมาถ่าอยู่นี่หลายมื้อนี้เด้ใหญ่พวกเทพพวกเจ้าป่าเจ้าเขามาเบิดเด้เฮาหม่องนี้มาเอาบุญที่นี่นี่บ่สิที่คืออยู่พุ่นอยู่โน่นที่ บ้านสิทีเขาบ่ไปตัวคนบ่มาคน แต่ว่าเรื่องบ่นี่ยายบ่ทุกคนมาหาเพิ่นเป็นตัวตั้งตัวตีอาตมาก็ถือว่าเพิ่นเป็นผู้ๆแล้วอาตมาบ่อยากก็คักบ่มีไผถามหาจักคนผู้ว่าบ่ดลอมล่ะ พอโลกหัวนะอย่าสิว่ามันดีเด้เขา ไปบาดใส่เอาใส่เอาเห็นบ่ล่ะอาจารย์สุภพน่ะเห็นบ่ล่ะไปเทศบ่เซา เงินปัจจัยทั้งหมดที่เพิ่นถวายนี่เป็น เว้ยบ่ตายจักไหนก็ต้องพ่อถ้าพ่อ พี่น้องเฮาทั้งเบิดนี่ผู้ใด๋ศีลห่าบ่ครบนี่ 2 ปีว่าแล้วเด้พอ 2 ปีที่แล้วพระอินเป็นผู้ ปีบดตัวไปเออแต่ว่าพวกกูเจ้าบ่ได้เข้าผีได้ก่อนพวยปิญาณได้ได้ก่อนบาดนี้อาตมานี่เอา 2 ปีที่แล้วนี่หมู่พอล้ําคืนนี่ตวดน้ํา 9 ขู่ล้ําคืนก็ 12 ขู่ไผแน่ไปบาดนี้พระเจ้า ขอมใหญ่แท้ๆนั่นไปอาตมาถาม อัตมาก็ขอบารมีเพิ่นแม่ภัยน้องมาก็จังมาอ่าว่า พระเจ้าไชยวรมันนี่มาองค์จตุคามมาก่อนมันได้ศีรังก้าเด้อองค์จตุคามมา ขมเหงไม่ใช่มื้อนี้ไล่จังซี่หั่นหนูไปเลยนี่ไม่ แล้วมาขอกุศลจากท่านหน่อยพี่บิอาตมาเลยถามขอกุศล ขอแบ่งปันให้ท่านทั้งหลายที่มา 16 ชั้น 15 ชั้นดินแม่ธรณีพระราชทูต บาดนี้อาปามาบาดนี้บ่แม่นแต่ตอนนั้นวิญญาณนั้นวิญญาณนี้มาเทื่อสุด 4 เดือนที่แล้วมาตอน 4:00 น. น, น, น, นเดเคร่งมาก็อาตมาก็ พ่อผู้สนแหนหลวงพ่ออยากเข้าศาสนาพระอริยะเมตไตรยนังถ้าหลวงพ่อเสริมไปบอกเขาให้เขาเห็นสัตถาท่านเค้าก็สิว่าหลวงพ่อเสริมอยากได้เงินถ่าก่อนเด้อจัก เลขาเพิ่นก็คือกันเจ้ามาหาองค์นี่ล่ะเทศเพราะว่าอาตมาแล้วเปิดไปด่าเราไปแล้วประชาเรา ญาณโยมเบิดทุกคนชาววัดน้อยเอพระ หลายกว่านี้คน 20,000 กว่ากองสักกะทานสูง 2,000 เอา 20, เอ 20 คนบ่ถึง 5 จะให้ลมไฟน่ะจะมามื้อนี้มันถึงการถึงเวลาๆดอกบ่ บางทีพัดลมก็บ่เพื่อน เออซ้ําก็พอแล้วตัวเอ้เจ้าว่าต่อมามามื้อนี้มันบ่แม่นแนวสิมาตั๋วอ้าวบ่บ่พอรู้ <her> เราเฮิ่นใด๋เฮ็ดบุญบาดนี้ล้มวัว 4 10 ลังหมดได้บุญนั่นผีพอผีแม่นาง แล้วก็แล้วบ่สากูหน้ากะหน้ากูตัวได้ดีย้อนกูเองคนที่สิ ข้าวสารหอมผิกระเทียมนี่มึงสิทีตายพุ่นนั่นบ่ข้าวสาร <c oughs> <c oughs> บ่เมียให้อีห่าอยู่ว่าได้บ่แม่บ่ได้แตก เเล้วค่อยถวายบ่เจอครับแอ่วส้มไปแม่นบ่อันเด็ดได้เต็มบุญบ่ มันถามบ่ไก่ไก่โอ้ยขายข้าวมันก็บ่มาเฮ็ดบุญนําพ่อมันวางไว้บักใดอีใด ขามมึงด่าเด็ดขาดบักใดอีใดกล้าราวละมึงลูก Qon jai nyu ka kai, du kon dheo Jai a du thoi lai, bè chi sò Jai kinh khao ka a lai, ni ra nam pha Kéo con mùn kéo ni ra Lùc bai nai na, mai lùc, hôn tai mất lò mát Sipi lò mây koei ma nui lén, mai lùc mi tẩu แล้วคนไหนคนนั้นมันเอาหลานมาให้เลี้ยง ก็ใส่พานวางเก่าๆอยู่นี่หาพานว่าซั่นไว้วางให้เจ้า เมื่อลําคอนเนี่ยพ่อแม่ตายมีกินได้เท่านี้โอ้ยจะเป็น เป็นบ่ได้เป็นหยังแล้วเบิ่งติล่ะ เจ้าเฮ็ดบุญยังไหวแต่น้อยเฒ่าใหญ่มาเบิ่งพอเบิ่งแม่ พอหยังบุญเฮาเฮ็ดนําแม่แต่น้อยอ้าวคั่นว่าซั่นพระบ่มี <c oughs> เงาใส่สบงอยู่กับภัยล่ะลบตาคือบ่แล้วคือ ง่ายๆบ่ต้องไปลอดนําบัดนี้ก็ได้เนาะนั่งอยู่เฮือนก็ได้ ขนาดไปบ่ได้บ่มีจะขายมีแทนคือเพิ่นอันนี้ ถ้าเด็กแสนก็สร้างบุญนั้นบ่ท่อมีศีลมีศีลหลายก็สร้างบุญ หลอมฝึกเบิ่งว่าบ่มีมูลอยู่นํามันถูกใจซ่ําใด pega o l l l o t o l k m y a y a p o l o n s i noii praep o l faux gepper yi よ o p o l kr0 o l l l i t o l n a k tornado yi mu e n ko n y mu e n y i ba Bo t yg mta Haw yi a u n a ไปเฮียนอีหยังล่ะอย่าให้หลวงพ่อชาย อยากให้เฮาเบิ่งเพิ่นน่ะก้มแล้วก็โอ้ยเต็ม เป็นหยังล่ะหลวงพ่อก็ได้ขอเพิง 60 พอดีเป็นหยังแล้ว อ้ายลําบ่บังให้ขนายแหนเป็นหยังเหล่าขนายเสียผัวฝรั่งโอ้ยเขาเป็น <Kirby> <ies> แต่แม้ผัวก็สิยากซะบ่ก็ไปยืน เอ้ยบ่ยังได้ดอเทาแล้วน้องโอ้ยไผมีลูก บ่แม่ล้านอัตโนมบาทแต่นั้นเถื่อแม่บอกไปฆ่าทีมลูกส้วย <c oughs> โถบ่เอามั่นบุญพุทธเจ้าโลกเจ้าธรรมเจ้าสังขารเจอาตมาไปนึง คือที่ต้องเขาเครียดกับแม่เขาจะเกิดก็ไม่ให้เขาไม่ต้องมาอยู่เป็นสุขมันก็ถึงยุคแหล่เฮ็ดให้เสียอยู่บ่เซาสิส่งให้เขาไปเกิดนี่แซ่เงิน เจว่าบ่ว่าบ่โตมาน้าวเจว่าแต่ละคนแต่ละคนบาดในชีบิดไฟก็จับได้ดีบด ทำให้บุญน้อยคืออย่างนี้สักศีลให้ โหล่อ้าวตายบ่ไปใส่มีค่าแล้วมาอยู่ esi ado,inee? Ani, tre 1970. Ani, tre meareng It is — Po re, fois lög— Ae, ae, be Porteta. Tele, yes. I need to see. บ่ได้บ่าวโอ้ยออกเจ็บปาน เดี๋ยวคือพอมันเอาไปมานี่ก่อนโอ้ยคือลองคือลูกเด้อดู Manut Maa, แม่อุ่มแม่มาเจินยูหือหือหือหือหือหือหือจับหน่าผากแม่ไม่คิดลูกเบิงดี Nee nee อย่ามากมาแต่ลูกเอ้ยแนวมันแย้มยาวนะถูก ใครกระโดดน้ํามันจะบ่ได้ร้อนน้ํามันตัวมึงไปโอ้ยแต่กูฮู้จังซี่ว่ามึงเว้าหญ้าจังซี่กูว่ามึงไปนั่นก็ว่าเค้าคือคือ บาดนี่ปั๊กกันปัญหาของคือคือเด้บัด 3 ปีเอ้อ strengthens a t 퐿 vaat Allah A Taz CinzÖ Verdita Pahush I like a real O I like aして very different others, but I like something else. I say, I think จะบ่นให้ค่ะวันนี้ลูกคุณดีจ้ะครับอย่าแม่ผมนะคะโอ๊ยน่ารักเอาละไม่บอก แม่เบิ่งไงเด้อเด้อค่อยได้เดือนละ 2,000 เป็น 2,000 ตัดเดือนมา 5 เดือนโอ้ยค่อยปากกด 2,000 10,000 ประมาณติเหลือหลานจนเว้าๆ Nay nắng nè nay. Nặng cây lục lá cây. Nay nay nặng nè nay nè. Nay nay gì nặng bó -so nay có con. Ê sĩ giò lại. Nay ùm um, nè na. nay. Ùm ơi nặng. Nay chỉnh nghe. Chỉnh đến trình đến thời đến chỉnh. Mình tới chẳng nàng chẳng chỉnh đi. Ôi em ơi, phải không? Thâu nàn, nั่น Nono leo, mungki ma nò nò nò nì nì bò. Non! <di> no no non quay nè nè nè say cua thau. Eee, eee, eee. Eee, eee, eee. Nè nè, nè, nè, nè, nè. Nhưng mà bộ cua hòm gì chút. Non chá lạ lạc tạc. Nè ไปนะสิเอาใครมาหาไปนะสิเอาบังไปไหนหลับก่อนล่ะ แม่ใหญ่นอนจนดีเมื่อยกับหลานนอนจนนอนดีโอ้ยถ้า หักหลานเองแต่ว่าผู้ใดฮักหลานแงงๆแล้วบ่ตกนรกเด้อบาดตกนรกจังได๋ฮักหลานหลายบ่ตายก็ท่านหันมาเกิด <laughs> เอิลีนมาอยู่บ้านเจ้าก็สิไปขึ้นมาพื้นผู้ไก่เด้มีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิดเด้มีแต่พี่น้องกัน <laughs> <อง>ปั่นหนีเด้อมันก็ได้ยกยังบ่เกียรติได้โทว่าเป็นหยังจะเป็นจังซี่พลาดมิตรบาตรมากบ่เป็นหยังหรอก มักเกิดเป็นมหาวัตรเลยของบรรเลอุปโลกอาหารข้าวหวานคือการขอถวายเป็นสักการะธานแด่สงฆ์สงฆ์อุปโลกข้าแต่สงฆ์ที่เคารพสักการะธานเหล่านี้ข้าพเจ้าสมมุติต้น ลองลำดับลงไปจนถึงพระสังฆวากะสาธุเหลือ ไปกินก่อนปั๊บไส้กำเลยแล้วเป็นหมาป่าหมาป่าก็ฮู้ซะได้ล่ะ Parumo tara aro Ma wan Ta wa ba le Ao yor ka ma Hảm nhạy vương bà Ủa đĩ nhiên nó không có nói là đi tao Thâu quá này thì vốn lại bên đây lắm là... Chắc lẽo Bà khâu thế này cái ngùi chắc nạp dục của đầy xếp hạ bà Bà thả má vốn cứ vô hù คือได้ไลฟ์บ่นไอ้บุญแม่แต่เบิ่งติเด้อ <ill> <im Wall onsieur mushrooms> ไปวัดคู่มือรักษาศีลคู่มือคนละคนไปคู่ คนได้บุญหลายแท้ได้จนซี่บ่แจกหมู่นั่งกลายเป็นเป็ดเลยผู้ที่ได้ พบบ่บดนั่นเป้บุญละคนบาดตั้งแต่ บ่เด้อใส่บาดที่นี่คุณว่ามา<ค> 3 โอ้ทางมา 6 Kihang lor me. Beom to the tatsah juhhan lor, bo fang ngang lor. Kihang lor me. Eau pa thu ma. Yusay lor. Kihang lor me. Kihang lor me. Eau ma. Pha ma hok to nan. Eau thu ma hit 3 omong. Kihang lor me. Kihang lor me. Kihang นายสิไปบ้านอีกแล้วไปซ้ายก็ไปถ้าคู่บ่ไปผ้ามันสิได้สะแตกเอ้านี่แล้วพอดีครับผมโอ๊ยตะลิดตลบบ่ เพิ่นนึงคนหลายตัวหมอก็ไปเอาสวัสดีที่พิเศษสอดแซงบุญหลายหลาย อ่ะเด้อเตียงโตสวดมนต์เด้อเพราะว่าบาดนี้ทุ่ม 1 แม่ออกเข้ามานั่งเด้อ <c oughs> <c oughs> ไปอย่างเอออ่าเจ้าบ้านนี่เด้อใหญ่เอาบุญอยู่บ้านเด้อเอาๆนี่อยู่มันแดงเทาๆ <เอ อ. S 1> บทโท 1 บทโท 2 บทโท 3 นับนิ้วเจ้าของนี่ล่ะหาบ่ได้ซาวซะก่อนจังนอนในนี้บ่นั่นล่ะเอาบุญเฒ่าแล้ว 1 เข้าบ่ได้หุงข้าวบ่ได้ก็บ่ต้องหุงมันจะไปนั่งจมเผาส่วนมากสิเอาแต่บาปบาปได้หลายน่ะตื่น ชอบบ่ถ่าน้อน้อยเทินขึ้นมากะก็มีไผลูกนอนกินบ้านกินเมืองใต้เฝ้าก็ลูกมาตะเหอกูแล้วนี่หาลูกไผก็แฮงไปแต่ช่างมานั่งเอาบาป <cười> Jo mir wott hawen. Tau na de chom